ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมสืบต่อไปในวันพระนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาได้มีโอกาสมาก่าวธรรมิกทถาพบกับพี่น้องร่วมพุทธศาสนสาธาชนผมมีโอกาสเปิดเครื่องรับฟัง <c oughs> ไปหางเฮิรนกันไปนานทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันมีงานมากเกือบไม่มีเวลาเป็นตัวของตนเองอ บ, บ้างก็เล็กน้อยท่นศ า, ศ า, ศาน้ายารณชนผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมมีบางท่านก็บอกว่าทำไมหายไปเลยไม่เห็นโผล่ขึ้นมาอีกทีนึงเคยในช่วงนี้ต้องรับนิมอนไปบรรยายอบรม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 พอจะมีเวลาอยู่บ้างอาตมาจึงขอพูดในเรื่องราวที่คิดว่าท่านตั้งหลายควรจะได้รับรู้รับทราบควรจะได้รู้จักคือเรื่องทำมิกราดทำมิกราชทำไมอาตมาต้องเอาคำนี้มาพูด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 ทั้งหมดนั้นรวมคือปัญหาของมนุษย์ซึ่งเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยที่มนุษย์ของเราได้กระทั่มคนโบราณได้เคยพูดกล่าวขวัญถึงธรร ม, มิกราชพยาธรร ม, มิกราชพยายามใดบ้านเมืองเดือดร้อนฟุ่นฟายเอียมนั้น คนโบราณก็จะบ่นถึงว่าเมื่อไรนอ่น้อพญาธรรมมิกราจะมาโปรดจะมาช่วยแก้ไขยุคเข็ น, นย่มเดยน้อพญาธรรมมิกราเจ้าผู้ประเสริฐบนมีวะท่านจังจะเกิดมีขึ้นเราเคยได้ยินถ้าหากเป็นคนเฒ่าคนแก่อายุห้าสิบหกสิบแล้วก็คงจะได้ยิน วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องทำ ม, มิกราชกันบ้างก็จะเป็นการดีเพื่อจะให้เราได้รู้จักในมองเห็นและเราก็จะสามารถเรียกร้องสร้างสรรค์ทำมิกราชให้เกิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยความเดือดร้อนปุ่นวายสังคมยุปัจจุบันนี้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 ให้เราได้รับรู้รับทาบแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เอยแก๊สพิษรั่วตรงไหนระเบิดจุดตรงไห น, เ, ไหนเราสามารถจะรู้กันได้ทั้งนั้นยานอาวากาศระเบิดจุดตรงไหนเกิดสงครามมุงโลกไหนน่านน้ําทะเลไหนอ่าวซอร์เจอ่าวไซด้าอ่าวเปอร์เซียเกิด อ, อะไรขึ้นเราสามารถที่จะรู้ได้ เมืองพมา่าเดินขาบวนอย่างไรเมืองจีนจะตระทเทียนอันเหมินหลังเลือดมายัางไงเราสามารถจะรู้ไม่จะรู้ธรรมดาเห็นด้วยในนาจอรทัดจอโทรทัศน์เมือก็ว่ามนุษย์ในสมัยนี้กำลังเจริญเจริญจะแข่งกับเทวดาบนตะวันแต่ท่ามกลางความจเจริญด้วยเทคโนโลยีคือผลิลตผลทางวิทยาศาสตร์ดี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 เอาตัวรอดไปวันวันได้ไปเท่าไร ย, ยิ่งดีสังคมยังมีปัญหามองกันด้วยสายตาที่เห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาซึ่งกันและกันแม้แต่ทั้งพ่อแม่ที่มีลูกอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ยังรู้สึกอ้างว้างหวาเวความผูกพันอย่างล้ำลึกในจิตในใจพ่อแม่ก็ยังไม่อบอุ่นใจพอ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 เหมือนเป็นคนละคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกันพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ก็อ้างวางวาแหว่ลูกสาวลูกชายนางนาเข้าพ่อแม่ก็หวาดกลัวจะพูดอะไรไป น, นิดหน่อยก็กลัวยิย่งยานมาเถอะไปเดียวนี่พ่อแม่ย่านห่อนลูกขันบอลลายย่านลูกเขียนพูดจาสั่งสอนจำจี้จำชัยนักย่านลูกสาวเขียนอย่าเอาไรเด้ก ไปน่บมา ก, ก็ได้ไดิไปสันเสร็จเลยพูดเท่าเสร็จเลยลูกสาวบอกว่าไปอาวุธนี่บมา ก, ก็ได้ไดิสันจมลายดวไปสันก็เลยงอนงอลกลัวแต่พูดมากลูกก็หาเรื่องขู่เอาลาักษณะเช่นนี้แหละจึงอาดามาก่าวว่าสังคมของเราทางตาย ขับขั้งหลังไหลทางจิตใจก็อ้างวางว้าเหวเหตุ hey, ที่มันเป็นอย่างนี้คนโบ ร, ราณก็เลยตั์ไว้นานแล้วหล่ะหวังมันจะถึงยุคเห็นยุคเสื่อมการสูวยยุคเสื่อมจนถึงขนาดว่ามันจะอยู่กันไม่ไว้ไม่รอดแล้วก็จะมีพระยาธรรมมิกราชมาแก้ไขเหตุการณ์ให้อย่างที่ ทุกวันนี้คนกําลังอ้างว้างว้าเหวพ่อแม่กําลังง้อ ง, งอนต่อลูกพูดมากกลัวลูกจะโกรธกลัวลูกจะไม่ให้อยู่ให้กินกลัวลูกจะหนีจากฝากผีฝากไขไว้ไม่ได้พอแม่ไปอยู่กับลูกคนโน้นทีอยู่กับลูกคนนีท้ทีถ้าไปอยู่กับคนโน้นคนนี้ก็สาบายใจถ้าแม่ไปอยู่กคนนี้คนโน้นก็สาบายใจ ถ้าอยู่ น, น, นานเข้าดีบดีว่าให้สับคือบอไปอยู่นอเขาหุ่นว่าสันอียังอีกยังก็หอมาเขาเบิด <c oughs> เสร็จเลยเอกพ่อแม่ยังนี่ก็มีคนโบราณท่านเขียนไว้ในหนังสือเรื่องพุทธธรรมนายอย่างในมหาสุ บ, บินนะสูตรอระไตยบิดกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดคุตตะกนิกายชาตกถา เรื่องมหาสุบินสูตรความฝันสิบหกประการของพร ะ, จพระเจ้าปเสนทิโกสนมีฝันข้อหนึ่งในจำนวน1ิบหกนั่นฝันเห็นงัวงวัวอุสุหาลุกหาคาวิโยคาวิโยแม่งวัวแม่โหออกลูกมันแล้วก็ไปโดดกินนมลูก น, น้อยๆลูกมันไม่แห้งกินมันก็วิ่งนีแม่มันก็งอ ง, งอนจะโดดนมลูก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 ถ้าถูกใจก็จะเลี้ยงจะดูให้โยกให้กินถ้าไม่ถูกใจก็ตะเพิดขับไซไล่ส่งว่าให้พ่อให้แม่ขู่เค้นตะคอกพ่อแม่ต้องก้มหน้างองนอนโยเหมือนแม่งัอ่ที่ไปาจะดูดนมลูกโลกมันไม่ให้กินแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอะไรแกมหาปอบพิษมันจะเป็นแก่โลกนี้ในจํานวนความฝันทั้งสิบหกข้อนั้นมีแต่เรื่องวิปริตแปลปวนทั้งนั้นมันยังไม่มีเวลามาเล่าให้ฟังละเอียด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 หรือว่าเป็นนักปราชญ์โบราณแต่งเติมเสริมส่งเขียนขึ้นมาใหม่อาตมาสะดุดใจอยู่คำนี้มานานอยากแกพูดเมื่อปีก่อนโน้นในเดินธุดงพาคณะหลวงเสร็จหลกงหาพากันเดินจาริกไปด้วยไปเรื่อยๆข้าที่ไหนนอนที่นั่นโดยออกจากวัด ทางเขตวานานอนนีิว่าเขตฟังโคลนเข่าเขตพลนาข้ามภูเพกไปผูพานเข้าทางกุดบากไปออกนุ่นคำเพิ่มเลือเลื่อไปจนถึงสั่งค้อหลบเหล่าเรียกซ้ายไปทางบ้านทางเขตเขาวงดงหลวงทางชาตินาคูขึ้นไปน้ำตกตาทองเดินไปถึงส้าสารแวก <c oughs> แล้วก็พากันเดินข้ามขุนเขาแถบนั้น ไปไทยนิคมคำสร้อยมุกดาหารเราไปกันจนถึงอำนาจเจริญทาแสงเพชรหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปที่ชานูมานเธอบกกับผ่านดอนตาลมาทางมุกดาหารมาทาดพนมมานาครพนมท่าอูทเทนผ่านทั้งท่าอูทเทนมาทางนี้สี่สงรามไปบ้านแทงเนี่ย มีตอนหนึ่งผ่านแถวท่าพระมาก็จำได้แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นบ้านไหนจำชื่อบ้านไม่ได้แต่จำเหตุการณ์ได้ว่าแถวท่าพี่น้องโยนี่ละ่ะทางห้าอุเทนนี่ละ่ะขันราสันกระทางทางต้นแถ้งเราหากันไปในหมู่บ้านหนึ่งเมื่อตอนเช้าโยมมามากๆม เราก็แสดงธรรมหาถือโอกาสแสดงธรรมให้เพื่อนสาธมิกจังายได้ฉันข้าวไปก่อนถ้าเราจะมานั้นก็ถือโอกาสแสดงธรรมแนะนำพัมซ้อนหลักศิลหลักธรรมให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้รู้หลังอย่างนั้นแล้วก็เก็บข้าวเก็บของตั้งใจเดินทางเพื่อจะเดินทางกันต่อไป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 อาดามาได้ยินเสียงพูดแวแวแววตามหลังจําได้สนิทเท่าทุกวันนี้แต่ก็ไม่ได้ดูหน้าตาว่าใครเป็นคนพูดแต่คำพูดนั้นเป็นคำพูดแน่นอนว่าคือคนแ ก, แก่เกิดมานานล่วงการผ่านไปท่านมองตามหลังพระสงค์เจ้าที่เดิดไปไปจำนวนมากในขณะที่โลกเขาจเจริญรุ่เรงเรืองนั่งรถเก๋งติดแอ แต่พระทรงองค์เจ้าจำนวนยี่สิบกว่ารูปนี่เดินฝ่าเปลวแดดแต่พายบาทแบกกดมันสวนทางกับความเป็นจริงพ่อเท่าคนนี้เขาพูดบอกอ้อออนซอนเด้หน่อเพื่อเป็นสำาเนยงยอเลยร้อยเปอร์เซ็นออนซอนเด้ไปนเนีย่ยหูเนี่ยสาไปน้ำกันหลายๆเนวนี้ไปใส่แล้วก็ไปเทศไปสอนอันนี้แล้วเพื่อนเว้าทาญาทรมิก ร, ราสู่คำสาปตนา เกิดมีมาแล้วว่งครับอาตมาก็จําคํานี้แล้วก็สะดุดใจอว่าทํายังไงน้อจะทําให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องพยาธรรมมิกราชทีนี้วันนี้เราเลยมาพูด ก, กันเรื่องธรรมมิกราชธรรมมิกราชธรรมมิกราชเนี่ยคืออะไรทําไมจึงต้องมีธรรมมิกราช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 เข้ามาอีกสามคำคือธรรมอิกราชะเอามาต่อกันเป็นพืชตามรูปสับวยากรณ์กฎระเบียบของภาษามันจะได้รูปที่สมบูรณ์สาเร็จรูปเป็นธรรมมิกราหรือว่าธรรมมิกราชาเอาง่ายๆอย่างนี้แหละนะธรรมนั่นแปลวรร่ารำไปบอกความถูกต้องความดีความงามความอุดม ความเจริญอีกะแปลว่าประกอบด้วยประกอบเข้าด้วยกันราชาแปลว่าความสุขใจความพอใจในเราแวลตามคำพูดคำว่าราชาคำนี้แปลว่าความสุขใจพอใจ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 คือบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายมีการรักกันป่นกันเข็นฆ่ากันโกหกกันนอกอกนอกใจกันแล้วก็ฆ่ากันกินเหล้าเมายาสังคมวุ่นวายปัญหาสังคมมากไม่มีทางออกก็เลยประชาชนทั้งหลายเลือกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบุคลิกภาพร่างกายสางาพาเผยกํายําล่ําสั้นให้มาเป็นหัวหน้าผู้ปกครอง ไม่ต้องทำอะไรคนนี้ก็เลยมาออกกฎหมายคนไหนทําผิดทําชั่วทําให้เพื่อนฟุง้งเดือดร้อนวุ่นวายจับมาลงโทษแล้วคนไหนดีก็ยกย่องสรรเสริญบ้านเมืองก็เลยสงบร่มเย็นคนทั้งหลายก็ร้องเพื่อไปทุกหย่อมหญ้าวะราชราชราชราชราชาชา ราจะแปลว่าเป็นสุกใจพอใจสุกใจพอใจดูก่พิสุทธุทั้งหลายด้วยเหตุแห่งการทำให้คนอื่นเป็นสุกใจอัคราคำว่าราชาก็เกิดขึ้นนี่ราชาแรกแรกมันเกิดขึ้นมาจากความพอใจความสุกใจทีนี้เมื่อเอาทำมิกราชาหรือว่าทำมิกราชมารวมกันข้าวแล้วแปล หากความโดยสมบูรณ์ก็จะได้ความว่าธรรมมิกราชหรือว่าธรรมมิกราชาแปลว่าความสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมหรือว่าความพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมท่านทั้งหลายลองลองคิดดู ว, ว่าธรรมมิกราชานั้นคือความเป็นสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรม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 พ่อค้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมนักวิชาการไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่อยู่ในสินในธรรมประชาชนไม่อยู่ในสินในธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งอยู่ในทัศวิร่า จ, จะทำสมบูรณ์แต่บุคคลที่อยู่อืมเป็นพระเนตรพระกันเป็นหุ้เป็นตาขราชาการตลอดทั้งพ่อค้านักวิชาการและประชาชนไม่อยู่ในธรรม มันก็จะทําให้สังคมไม่มีความสุขใจความพอใจความสงบความร่มเย็นดังเราจะเห็นอยู่ทุกวันนี้พระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หงวรัชกาลปัจจุบันของเราพระองค์ทรงประเสริฐสูงส่งที่สุดพระองค์มีทศพิรราชจะทำอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเช่นิธิหาที่ติเตียนไม่ได้แต่เสร็จแล้วบ้านเมืองของเราก็ยังอยู่ในสาภาพเช่นนี้เพราะว่าข้าราชการ ตลอดทั้งพ่อค้านักวิชาการยังไม่เอาตัวอย่างยังไม่อยู่ในสินในธรรมเหมือนกับพระ อ, องค์มันก็ยังไม่มีความสุขความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรเท่าที่ควรแต่ขอบอกให้ทราบไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรแต่เราก็ได้รับผลแห่งธรรมมิกราชา คือพระราชาที่ประกอบไปด้วยธรรมถ้าหากพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในศิทธิธรรมแล้วบ้านเมืองยิ่งจะเร็ว้ายไปยิ่งกว่านี้แต่เดนนี้เราได้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระบรมโพธิสมภารมหาธรรมิก ร, ราชเจ้าคือพระเจ้าแผ่นดินพระเจายหัวทรงตั้งอยู่ในธรรมจึงทําให้เรายังอยู่ได้ด้วยพระบา ร, รมีอันนี้สงบกลมเย็นโย่ ทีนี้ถ้าหาข้าราชการก็ดีพ่อค้าประชาชนนักวิชาการทั้งหลายยึดเอาเป็นตัวอย่างดังที่พระ อ, องค์ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นมันก็ยิ่งจะมีความสุขความสงบร่มเย็นนีเพียงแต่พระ อ, องค์ตั้งอยู่ในสิ้นในธรรมพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นก็ยังมีอิทธิพลอํานาจแผ่ไพศาลให้ข้าราชการที่ดีๆหลายคนเอาอย่างแต่ที่ชั่วชเร็วๆก็ยังมีมก็ยังมีมาก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 เป็นธรรบัตรนี้ท่านทั้งหลายก็ยังสามารถที่จะเป็นธรรมมิกราชได้คือเมื่อใดท่านมีความสุใจพอใจในการประพฤติทำสร้างคุณงามความดีไม่รู้จักเบื่อน่ายไม่รู้จักอิ่มไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยต่อความชั่วทั้งหลายตนเองพอใจที่จะสร้างคนงามความดีประพฤติดีคิดดีพูดดีถ้าอย่างนี้ธรรมมิกรหันมันก็เกิดขึ้นแล้วในใจของท่านนะ เป็นอนุภาเราเข้าใจทำมิกราคือความพอใจสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมทีนี้ทำไมจึงจะต้องมีทำมิกราชาทำมิกราชาหรือว่าทำมิกร า, าคำถามคำนี้ก็จะต้องย้อนกลับเขิดไปสู่ตัวเราเองว่าเราต้องการความสุขใจความพอใจหรือไม่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 อันเดียวถ้าหากใจเป็นสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เดกก็งามโลกก็เป็นโลกที่น่าเย่สังคมก็เป็นสังคมที่สงบประนับทุกคนมีใจอันสงบเยือกเย็นมีใจอันประกอบไปด้วยสินด้วยธรรมแม้แต่ยุงตัวหนึ่งก็น่ารักอืไม่ต้องพูดไปถึงคนยุงที่มันกัดกินเราเนี่ยห้าวันใดจีตใจท่านเปี่ยมล้นไปด้วยธรรม มีปีทีมีปลาโมดเกิดจากความสงบระงับตั้งแต่สัตว์เตนเดียวยุงตัวนน้อยก็ยังน่ารักน่าหยอกเย้าเขาขึ้นจะกลาไปใหญ่ถึงผู้คนด้วยกันต้นไม้ต้นไร่คนน่ารักเป็นเพื่อนของเราทั้งนั้นนี่ในเมื่อจิตใจมันประกอบไปด้วยทรรมันพอใจมันสุขใจทีนี้ถ้าเกิดความสุขใจความพอใจไม่มีต่อให้มีเงินล้นแผ่นดินมันก็จะตกนรกติดแอรตกนรกติดแอร ตกนรกบนเครื่องปินตกนรกบนรถเกง๋งตกนรกอยู่บนตึกติดแอคือความเร่าร้อนทางใจเพราะฉะนั้นทำไมจึงต้องเรียกร้องหาทำมิกราชาก็เพราะว่าเราต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นความพอใจแล้วคาถามต่อไปว่าเราจะมีทำมิกราชาเพื่ออะไรเพื่ออะไรอันนี้ คำตอบจากข้อที่สองก็ทำให้เราเห็นได้ชัดว่ามนุษย์เราทุกชีวิตเกิดมาในวัตถองสารในโลกนี้ก็ย่อมปรารถนาต่อความสุขเมื่อมีความสุขใจมีความพอใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นทีจะต้องสมบูรณ์แบบหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะนั้น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 ไม่ใช่แผ่นดินโลกสันนิวาเพียงแต่ตัวคนแต่มันจะสงบทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำทั้งลมเดี๋ยวนี้แผ่นดินสงบไหมน้ำสงบไหมลมสงบไหมแผ่นดินก็ไม่สงบเพราะคนไม่พอใจไม่สุขใจในการเป็นอยู่ในธรรมเต็ไมไปด้วยความโลภจนไปป้นแผ่นดินป้นธรรมชาติ ป่าไม้ได้เฮียนเต้เพราะความโลภความไม่พอใจสิ่งที่ตนเองมีอยู่พ่อค้าเศรษฐีนายทุนไปทำลายป่าจนเตียนจนแผ่นดินเกิดผลตกมาน้ำไหลท่วมภูเขาพังทลายแลนสไลด์อย่างบ้านกระทูนนะครทีธรรมราชบ้านเรานั่นก็เพราะดินไม่สงบแต่แล้วมนุษย์ไปป้นธรรมชาติน้าก็ไม่สงบ แผ่นน้ำก็เป็นพิษรบปลาคาฟันกันท่วมมหาสมุทรจะนองไปด้วยสายเลือดไม่ว่าจะเป็นอาวไซดา้าอ่าวเปอร์เซียอ่าวเซอร์เต้อะไรก็ตามเถิดพร้อมกันนั้นในน้ำก็ยังไปทําที่เจาะเอาแกะน้ำมันอยู่ใต้ดินโดดขึ้นมาเผา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 อะฟูตโตเนียมฟูตโตเนียมเอามาสร้างเป็นนิวเคลีย์หลังจากนั้นก็มีพลังงานโรงงานพลังงานนิวเคลีย์บ้างโรงงานอืแก๊สใหญ่ๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์ผลิตขึ้นมาพ้นมาจากดินในที่สุดเอามาแล้วมันก็เป็นอันตรายอย่างเก่าอย่างสารฟูตโตเรียมฟูโตเนีย ม, นยมเนี่ย ที่เรียกว่านิวเคลียสคือกากกากของนิวเคลีย์เมื่ อ, อทำเป็นพลังงานแล้วไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนเอาไปฝังในดินห้าแสนปีมันยึงจะหมดคุณภาพที่เป็นพิษเป็นภัยกับมันตะภาพรังสีเอาไปทิ้งลงในน 2, 50, ้ำสองแสนห้าหมืนปีแล้วยิ่งไปกว่า น, นั้นอยู่ดีๆวันดีคืนดี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 แล้วมันก็เป็นพิษเป็นภัยไปถึงไหนก็เป็นพิษเป็นภัยถึงนั่นกำมันตรภาพบรังซีอันเรอไราอารนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์อันมนุษย์ได้สร้างขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆปี2527ถอกดก๊าซก็รั่วออกมาจากโรงงานแยกก๊าซพลังงานของ บริษัทอยู่เนี่ยข่าใบที่เมืองโบปานประเทศอินเดียซึ่งเมืองนี้จะมามีเพื่อนหลายคนมานี่คงตายไปแล้วรั่วออกมาตายทันที2000สองพันศพหลังจากนั้นผู้คนทั้งหลายก็ชักดิ่นชักงอหูหนวกตาบอดกันไปแขนกูดขาขาดกันไปเปื่อยมันเป็นพิษหาหามส่งโรงพยาบาลทั้ง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 คิดค้นสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะทํำลายกันเมื้ออะไรก็แล้วแต่เถิดแล้วมันก็เลยเป็นการทําลายกันทั้งทางตรงทางอ้อมไม่ใช่ทำลายแต่มนุษย์มันกลายเป็นการทําลายทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ําอารามาพูไปไกลด้วยขนาดนี้ที่บอกว่าทําลายแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำพอมนุษย์ไม่มีธรรมไม่มีธรรมิกราชะไม่มีธรรมิกราช ไม่สุขใจไม่พอใจที่ประกอบไปได้วยธรรมนั้นเมื่อสารพูตโตเนียมของที่เป็นกากเดนของนิวเคลียนี่หรือตัวพลังงานนิวเคลียร์นี่ที่มันละลายแล้วมันแตกระเบิดไปมันก็กระจายไปทั่วแล้วก็ยิ่งไปกว่า น, นั้นมันมีการรั่วมีการระเบิดยุ่ลายแห่งเป็นถูกปิดเป็นความลับ แล้วก็พวกกากของมันเนี่ยไปทิ้งมันก็ยังเป็นพิษเป็นภัยละลายขึ้นไปในแผ่นน้ําแผ่นฟ้าในลมในอากาศหลักนาข้ามันก็สะสมกันมากขึ้นมันก็ไปจับมันละลายขึ้นไปเป็นไอ้น้ําไปเป็นเมฆมีกฏกรรมทันในนั้นแล้วก็พลพลังงานกำมันระพภาพลังสีของพลังงานนี่มันไปรวมกันเป็นเมฆมันเป็นฝนตกลงมา ทีนี้ฝนที่ตกลงมานั้นมันก็มีพิษเรียกว่าเอซิสเรนภาษาฝรั่งว่าอซิสเรนก็เลยกลายเป็นน้ำจืดที่มีพิษตกลงมาใส่ต้นไม้ต้นไม้ก่อปูดหงิกงอไม่เจริญตกดีแต่ก็ไม่เจริญมีน้ำซ้ำก็ทำให้เกิดแบคทีเรียใหม่ๆกับเอซิสเรนกับ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 นเห็นไหมมันสั่นคลอนทั้งแผ่นฟ้าทั้งแผ่นดินทั้งน้ำทั้งลมน้ําก็มีพิษลมก็มีพิษเที่นี่ดินก็มีพิษไม่มีต้นไม้ยึดติดฝนตกหน่อยพังทลายเกิดแผ่นดินไวมากขึ้นเพราะความร้อนของโลกสูงขึ้นมนุษย์ได้ดูดเอาฟอสซิลเซียนเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆใต้ดินขึ้นมาเผา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 environment สภาพแวดล้อมเขาก็ได้เขียนออกมาให้เห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาทะเลสาบน้องหานแบบน้องหานเราเนี่ยทะเลสาบใหญ่ๆน้ำจืดแบบน้องหานเราได้ตายไปแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบสามแห่งในอเมริกาในแคนาดาซึ่งติดกับอเมริกาเนื้อขึ้นไปนั้น ทะเลสาบตายไปแล้วสามร้อยแห่งในประเทศเชโกส โ, โลวาเกียในกลุ่มสแกนดินนเวียรวมกันข้าวทะเลสาบตายไปแล้วพันแปดร้อยกว่าแห่งไอที่บอกว่าทะเลสาบตายนั้นไม่ใช่ว่าน้าแห้งหมายา็ว่าน้าในทะเลสาบเป็นพิษจนเต่าปูปลากุ้งหอยมันอยู่ไม่ได้มันพากันตายหมด ที่มันเป็นพิษเพราะว่า น, น้ําที่ตกลงมาจากฟ้านั้นมีพิษนี่อา จ, จะมาคิดไปไกลกว่านั้นวาอันที่มันเป็นพิษนั้นเพราะปุฝีมือของมนุษย์นี่เองแล้วเมื่อปีนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปลายปลายเดือนอา จ, จะมายังจําได้ว่ามีการประชุมกันระดับชาติถึงสองร้อยกว่าประเทศ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 เชื้อเพลิงแก๊สเกิดอะไรต่างๆดูดมาจากดินแล้วมาเผาอยู่ในโรงงานเอามาใส่รถใส่เรือวิ่งป้าไปปาดมานี่แหละมันออกกันแล้วมันไปเผาอากาศแล้วในออาาศก็ทำให้เกิดความร้อนแก๊สเหล่านี้ที่ออกเป็นคาร์บอน Carbon, ที่ออกมาจากท่อไอเสียต่างๆก็ไปรวมกันเป็นความชื้นในอากาศเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมามีกรดแอซิดเป็นฝนที่มีน้ากรดและทาให้ต้นไม้ตาย ในประเทศมาลีต้นไม้ตายอย่างไม่มีใครถางหรือในประเทศทางสหรัฐอเมริกาในประเทศจีนกว่าเฉวนที่มีโรงงานแก๊สใหญ่ๆอยู่นั่นต้นสนซึ่งเป็นป่าสนนี่ ง, งามมากเลยตายไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีใครถางมันดอกมันตายเอาเองมันนี่ก็เหมือนกันอาตมา น, นั่งรถผ่านไปทางโน้น ทางน้องบลลุญลำภูหรือบางทีก็ผ่านไปทางโคราชเวลาไปเทศโคราชออกไปทางโน้นทางอำเภอโชคชัยกระโอกโชคชัยนะครราชจะสมาไปทางเสริงสางไปทางน้องบุญนานคะออกไปทางบุรีรัมย์โคราชบ้านเอ่งนุน่นโรงงานมันใหญ่ๆแถวนั้นเวยต้นไม้เหงาะหมดมันจะตายมันไม่งามเลยนี่เพียงแต่โรงงานมันธรรมดาทีนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึง ไอสารพิษที่มันจะเกิดขึ้นมาจากพลังงานนิวเคลียร์จากพูตโตเนียมอันเขาเอาเป็น้าอาไปสร้างทำนิวเคลียร์นั่นมันก็ทำให้ต้นไม้ ต, มตา ย, ตายโดยไม่มีใครถามประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมต้นไม้ตายไม่ได้ทางทำไร่ทำนานในทวีปแอฟริกาอย่างในประเทศมาลีทะเลทรายซาฮารามาลีเนี่ยแต่มาก็มีเพื่อนเยอะ เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสคนมาลีเขาพูดภาษาฝรั่งเศสเกงโกเซเบเอาเยเคเรเยไว้เจ้าพูดเก่งเราต้องพยายามจะต้องทําทําความศึกษาสังเกตพอเราผู้ภาษาอังกฤษกับชาวมาลีไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็เป็นเพื่อนกันในสมัยเคยทํางานร่วมกันเขาบอกว่าปีหนึ่งหนึ่งต้นไม้จะตายข่ะย้ายออกไปเรื่อยที่ทะเลใ า, ส า, า้สหรัฐ10ปี 2ี่สปีช่วระยะายี่สิบปีต้นไม้จะตายขยายออกไปถึงสามร้อยแปดสิบกิโล <c oughs> <c oughs> เพราะไผ่ะน้งร้านลองคิดดูไม่มีเทถางมันตายเองมันตายเพราะความร้อนสูงมันตายเพราะผลมีกดแล้วนี่จะเห็นได้ว่าต้นไม้ต้นไล่ก็ล้มตายโดยฝีมือของมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรม แผ่นน้ำก็มีพิษทำให้ปลาตายทำให้กุ้งหอยตายแล้วมาบ้านเราเมื่อเร็วๆมานี้ประมาณไม่ถึงสิบปีมานี้ก็เกิดปรากฏการ์แปลกปลาเป็นบาดเป็นแผลเวะหวะลอยโจโลโจโลตายไปแล้วครึ่งตัวก็มีแล้วก็มกักจะสันนิษฐานว่าเกิดมาจากปุ๋ยว่างเกิดมาจากยาฆ่ า, มาแมลงบาง อาตะมานั่งรถไปนั่งชมวิวที่ริมทะเลสาบคาสเบียนเขาไม่ได้ทำไรทำนาใส่ปุ๋ยใส่ป้๋ยสยีดยาอะไรหรอกแต่ไปที่ทะเลสาบคาสเบียนก็ไปเห็นปลาลอยโจรยโจรยโจรยขาดไปแล้วครึ่งตัวเป็นแผลเวอว่าไปหมดเหมือนกับบ้านเราแล้วก็เห็นมันตายฟูน้นาเป็นอ้ำ อ, อยู่ทั้งหมดนั่นแหละ เราเข้าใจกันแคบเกิดมาจากฝนน้ำกรดที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี่เองเพราะนั้นท่านนิงหลายก็ต้องเข้าใจว่าธรรมมิตรราคือพอใจสุกใจที่ประกอบไปด้วยธรรมนั้นทำให้โลกสงบร่มเย็นแต่ในนี้โลกมันไม่ร่มเย็นแผ่นดินก็ถูกป้อนจนแผ่นดินไว้เป็นแผ่นดินพังแผ่นดินสุดน้า ก, ก็ถูฝีมือของผู้ไม่มีสินมีธรรมปูยี่ปูยำจนน้ำเป็นพิษปูปลาอยู่ไม่ได้แล้วมหม้ตายไปอากาศที่เราหายใจนี่ก็มีพิษมีความร้อนสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราก็จะอยู่กันไม่ได้ในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ได้ซื้อลมหายใจในโรงงานหนึ่ ง, งเวลาจะออกจากงานเขาจะแจกถุงลมเขาเรียกว่าเพียวออกซิเจน คือลมหายใจอันบริสุทธิ์ซึ่งมีเครื่องตันเครื่องกองแล้วก็ถือไปดมไปหายใจเหมือนเด็กน้อยดมกาวต่อไปเมืองไทยอาจจะได้ซื้อดบบัางตายเลยคนยากคนจนตั้งแต่ซื้อเข้าเส่ปากกันยังอืดแล้วเราจะว่าอย่างไงทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกันกับฝีมือของคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม ปีนี้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลดีมากเลยพี่น้องบ้านเราอาตมาเห็นแล้วก็โอ้ยสาธุอนุมธทนาสาธุการสาธุเออขอให้ตกดีๆจังสิแล้วก็ดีใจกับญาติโยมวันก่อนไปเทศที่กุศมานั่งรถผ่านไปทางอากาศอํานวยทางนาวา่านี่ มองเห็นข้าวเคี้ยวกะจีขะนานไปกับทุกๆลุ่มลําห้วยลําฐานน้ำไหลเอื่อยออยอย่างสงบงามเห็นและเป็นภาพทีทราบซึ้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าวาพิสุทธิ์ทั้งหลายฝนฟ้าตกต้องตามระดูการพืชพันธัญญาหารเจริญงอก ง, งามชาวนาประชาชนได้ทําไร่ทานาเธอทั้งหลายอย่าประมาทให้รีบทาความเพียรบรรลุทําที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งคําที่ไม่เห็นแจ้ง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 ถ้าฝนตกให้รีบทำความเพียญญ ร, นะ อ, รอย่าประมาทเนี่ยท่านสอนเราอย่าประมาทนะปีนี้ฝนตกท่านบอกปีน่าอาจจะแรงอาตมาก็ถือโอกาสนี้เตือนโยมฝากลมฝากแลงต่อไปว่าอย่ามัวประมาทปีนี้ฝนตกดีขายข้าวเขียวขายข้าวเขียวซื้อเลขอาจารย์ดีเพิ่นเดียวมาทางน้นทางนี้ละเจ็บหายได๋อีกหน่อยลูกสาวก็จะขายสองกระสอบซื้อกางเกงยีน พ่อแม่ก็ฝันหวานจะขายไปแต่งงานให้ลูกชายใช้หนี้กเกษตรสาก์บ้างระวังให้ดีอาจะไม่จะฝากท่านตั้งหลายให้เก็บไว้ก่อนถ้าปีนี้ได้ข้าวได้ปลารอให้เห็นฝนใหม่ฟ้าใหมให่เห็นหน้าน้องใหม่ของข้าวปีต่อไปค่อยขายจะดีที่สุดเรายังไม่มีประสบะการณ์ อย่าประมาตปีนี้ฝนตกดีอาจจะแล้งไปอีกสามปีก็ได้เพราะดินฟ้าอากาศไม่เหมือนเก่าคนไม่มีสินมีธรรมปีนี้ขอให้นั่นทั้งหลายดึงสินดึงธรรมมาไว้ใส่จิตใส่ใจเมื่อมีข้าวมีป่าผลฟ้ า, ฟาตกต้องตามฤดูการฝ่าหมาเปี่ยมฝ่าเหลี่ยมปนฝ่าให้ทั้งเทศ แขนเอเลก็บเขียดย่ามเห็นฝนคนเช้าหน้าดีใจซื่นส้มหัวแม่งแรลงหรือเสอทาทำหน้าก่าหวานอุตสากอสั่งจะเลิ่อนยิงเลนหลังฟงมูซาลี่เขาในหน้าหัวไห้ทั้งหมากใหม่แตงเต่าโมมันฝนตกต่องและดูการไทยวานพิชโพดเขาเขียวออดอ้วนอ่อนงามมหาคุณหล่นแดนดินผอมเพึงซา์อยู่ใต้ลมฝ่าฝนเลี่ยงจังยูยิน ทุกแท่งห้องแห่หักหอแผงกันพี่น้องเอ้ยเกิดมาเห็นกันสัวข้าวซีตักจากกันตายเกี้ยงให้เจ้าถือถ้ำมมันเห็นกันแห่หักโูกกันเดอ้อเพื่อจังห้าวพี่น้องเพื่อนไก่เกี่ยวกันควมพิษของมองใจแห่หายเหตุกันท้อน่าได้วิวาดเว้นว่างพิมพห่างไกลมีแต่ใจบญเกี่ยนเสมอกันกำกังสินหาห่วงถ้พระเจ้าเพันสั่งสอน มโนนอมคุนท้ำให้เฮี้ยนหีบเที่ยนพำรรสางบญหน่สีสุมเย็นให้เจ้าจงใจเวนป่าปังท่างโถดสันโดดด่วยแน่ใดเขื่องมีจังส่แล้วเป็นเอิญว่าแผ่นดินถ้ำมีแต่ความสงบสุมเย็นแรงเศราแสนทีสุขีหล่นสวรรค์นคนมนุษย์หลกบอมีถูกโศกเศร้าถ้ำพระเจ้าเลื่อมมุ่งคำกล่าวนี้อยากจะฝากลมฝากแรงเตือน อ้อนเตือนพ้ำวอนบอกกล่าวพ้ำสอนท่านทั้งหลายขอให้ท่านอยู่ในศีลในธรรมอย่าประมาทเมื่อฝนตกต้องมีข้าวมีปลาขอให้รู้จักพอใจให้เจ้าจงจเจวินปลาฟังท่งโทษสันโดดด่วยเนี่ยได้เรื่องมี ให้พอใจสิ่งที่มีอโยูน์ในวันนี้ปีนี้ฝนตกดีมีข้าวมีป่าจงพอใจไว้ก่อนอย่าคิดมากเกินกว่านั้นเหมือคายข้าวไปซื้อสิ่งที่ยังไม่จำเป็นเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าในสมัยอื่นอีกฝนจะแห้งแล้งข้าวจะยากมากจะแพงให้รีบสร้างผลงานความดีตักตวงไว้ก่อนอาธรมากเาม็เป็นห่วงทั้งญาติยอมเป็นห่วงทั้งพระสององค์เจ้า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 แรงผิดปกติเพราะว่ามันมีความร้อนในโลกสูงมันแล้วมันไม่มีอะไรต้านทานต้นไม้ต้นไม่ถูกทําลายประเทศยากจนก็นทําลายป่าเพราะคนยากคนจนไม่มีอยากู่จะกินเศรษฐีนายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปก็ต้องบุกรังทางพงเมื่อบุกร้างทางพงป่ามันก็เหี้ยนเตะมันก็เกินความร้อนไม่มีอะไรประทะลมก่อพัดแรง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 เป็นอยู่โดยทําสกใจที่เป็นอยู่โดยทําเมื่อ น, นั้นเราก็จะเกิดความสงบร่มเย็นถึงแม้ไม่มั่งมีสีสุขภายนอกแต่จิตใจก็สงบร่มเย็นเราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ก็เลยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินให้จิตใจกวัดแกว้งกระวนกระวายกันมากเรื่องธรรมิกกราชนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องนิยายปิยมปาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือผูกลำพื้นเมือง ก็ได้เขียนทํานายเรื่องศาสนาพันที่หนึ่งก็ยังมีทำ ม, มิกราชเกิดขึ้นพอสอผ่านไปถึงพันุ์ที่สองสาตนาล่วงเลยไปถึงพันที่สองก็ยังมีพยาทำ ม, มิกราชเกิดขึ้นพอถึงทำที่พันุ์ที่สามคือพันธุ์ที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้จะวุ่นวายปั่นป่วนมากแต่ก็ยังมีทำมิกราชเกิดขึ้นพอถึงทำที่สี่ถึงพันที่สี่ ทำ ม, มิกราชไม่มีเสื่อมลงเสื่อมลงพันที่ห้าลุกเป็นไฟฆ่ากันหมดทำ ม, มิกราชคํากล่าวนี้เป็นความจริงว่าพอศผ่านมาสองพันห้าร้อยสามสิบสองปีนี่อยู่ในเขตพันที่สามก็ยังมีคนที่มั่นคงอยู่ในสินในธรรมอย่างน้อยบ้านนี้เมือง น, นี้ก็มีพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันพระองค์เป็นแบบอย่างแล้วก็ยังมีพระทรงองค์เจ้า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 มีคำคำนี้เขียนไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองตอนหนึ่งว่าศาสนาของพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเถระบกล่างเถระเต็มดังผจัญอยูเถงฝ่าศาสนาหลวงเขาสองพันปีปลายเศษ็จสงอยู่ห้องเห็นแจงหนวดท่ำหากที่ยังเหลือหน่อยในข้องพุทโธว่าส่วนหลายไล่ล่าถิมข้องสองป้าปล่อยวินัยถือตัางแต่หน่อยพ่อเดย์ห่หอมล้วงอันนี้ส่วนที่ไม่ดี บางองค์ส่งเพจเพียงเพียงดังม่วนพีโคมีหยดงานพาหณนะขี่ไปขึ้ชาวบาทมีเงินคำไร้เหลือหล่นคนเห็นลือดซาบูชาหนบหนอบไหวลงมว่าเจ้าตอนบุญบางองค์มีเงินคำไร้เลือหล่นให้คนยืมเอาขี่ดอกมนันเถิษเี็ดแฉ่ข้องประเจ้าสัง่งสอนบางองค์ผ้าตนเล่นการพนันขันตอ่อตัวหลอกหล่อให้โยมเล่นเติมน้าอันนี้ส่วนที่ไม่ดีและยังบอกว่า ที่ครูเจ้าองค์บดีถ้ำให้เสื่อมองค์ที่ดีก็หักหนี่มากหล่นเหลือหล่นอาเล็กน่องนี่แสดงว่าพันที่สามนี้องค์ดีก็ยังมีอยู่องค์ชั่วก็เยอะผ้ากันเล่นการพ น, นันหันต่อวันที่สิบห้าสิบหกวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งหัวจุ่มใส่กันเก่งเลขซื้อเลขกันปานโยมแล้วก็บอกพ่ออมอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ด่าใครพูดว่ามจริงมีคนโบราณไม่พูดอย่างงี้แล้วก็ยังบอกว่าศาสนา ลวงเขาถึงเขตพันที่สามหากสับ ป, ปีเป็นต่างไปเรื่องเลื่อยมางนำเต่าหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกตับเกิดเป็นค้องนักจุมจ่มจมลงพผืชอศิลาก่อนกระดานหินนักมืน้นกัสซิลอยกรองน้มฟู่ขึ้นจังซาโน่พ่อสีสอยสีเป็นย่อยหากยองให้สิกับจองขึ้นแถมสอนปองใบม้าจิงจอกสีด่ายนนั่งใจข้ามคุ้มโยธาภัยพ่นทั้งค่าย หองคำผายเวหาเฮินเมกสิมนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาหนูซิ่งทําตาบ้าให้แม่บกดำกลมขาเสื้อโคงหนบหนอบไหวขหนาเนื้อมูสามันต่อจากหั่นพัญญาทาสิมาสอยหินใหญ่หินยูนามสิจมล่องคือเกาหมากนำเตาห น, หน่อยหน่วยแห่งสิฟูขึ้นดังเดิมนี่แสดงว่าถึงข้าวเสื่อมที่สุดแล้วก็จะมีคนที่พอใจ ประกอบด้วยธรรมเป็นสุขใจประกอบด้วยธรรมเกิดขึ้นมาช่วยกันให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นอยู่ในพันที่สามยังมีก็เดือนนี้เราอยู่พันที่สามเห็นไหมละ่ะหนูสิ่งทําตะบ้าหาแมวบักดําก้มขาก็เห็นแล้วคนธรรมดาสามัญโก น, นหัวปั๊บเข้าไปไม่ต้องโกนคิ้วหนุ่งหม่มดําๆทาท่าไม่กินเนื้อกินปลาแข ง, แ ง, แ ง, แงๆของขึ้นแมวบักดําก้มขาปัญญาชนรุ่นใหมย่ยังไม่ศึกษาให้เข้าใจชัดเจนฟางไฟก็ เอาด้วยโอ้นี่พระอรหรันต์พระอริยะเจา้าเนี่ยนูสิงทําจะบ้าให้แมวบักดำก้มขาบตายเป็นแมวบักดำไปนากันให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าทำอะไรดำๆนี่เสื้อโคงนอบๆไหวขนาดเนือ้อมูสมัมนัสหนักๆเข้ามีอิทธิพลเข้าไปถึงในทางการบ้านการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกิดความเขารบ นบนอบมีกำลังแขงกล้าขึ้นมากบเขียดหน่อยประห้องอ่านโค้งสานเหตแตงูเผาผิดเหยือกกลัวเกงด่านคนกลุ่มน้อยทำให้คนกลุ่มใหญ่แม้แต่รัฐบาลยังสั่นคอนหวาดกลัวในที่สุดต่อจากหัน่นพรย่ารมตีมาต่อยหินยุน่งหนาจิจมล่งคือเกามากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งที่ฟูขึ้นดังเดิม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 ความเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีก็กลับคืนมาเห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นกงจักเป็นกองจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีเห็นสมีเป็นสมีไม่จะเห็นสมีเป็นพ่อรหารไปเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพันที่สามยังมีอยู่ทำมิกราคนที่พอใจประกอบด้วยธรรม พอใจยินดีเปสุขใจที่ประกอบด้วยธรรมไม่วาดวันอาธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแต่พันที่สี่คนโบราณบอกว่าจะหมดพันที่ห้าหมดเลยเอาละทีนี้คํากล่าวนี้มามามองดูคําพูดของพระพุทธเจ้าวาดธรรมมิกราชจะเกิดมีได้โดยวิธีใดมีไหมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไหมญาโยมลองไปเปิดพระไตรปิฎกธรรมมิ ก, กะสูดจะตุ ก, กันในบาตอังคุตรนิกาย สัตนตายดอกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97 <c oughs> ถ้าเป็นฉบับภาษาบาลีฉบับอื่นๆก็จงจำไว้ว่าเล่มที่21ข้อที่70จะตุกันในบาอังคุตรนกายมีชื่อว่าธรรมมิกระโสตัดเรื่องพระราชาตั้งอยู่ในธรรมและอธรรม ภาษาบาลีว่าจิตสมิงพิขเวสมะเยราชัชาโนอธรรมิกาโหุติราชยุตตาปิตสมิงสมะเยอาธรรมิกาโหติราชยุตเตสุพิขเวอาธรรมิเกสุพมนกคหาปฏิกาปิตสมิงสมะเยอธรรมิกาโหติขอภัยผูดภาษาบาลีก็คงจะช้าลงไปอีกความหมายความเข้าใจก็จะสั้นครับแทบลงมาอีกแปลเป็นภาษาไทยให้ เราได้เข้าใจชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสูตรนี้เล่าแก่พิกสุทธทั้งหลายฝั่งว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายสมัยใดก็ตามพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมต่อไนั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นพาราหมณ์ขึ้หาบอดีก็ย่อมเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์ขึ้หาบอดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้น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 ชาณประเทศสุอา ร, รมิเกสุวิส pues มังจันทิมาสุริยาปริวัติตันติวิสมังรองแปลดูนักบバレทั้งหลายว่าจะเป็นอื่นไปนได้ไหมไม่ได้ว่าเอาเองที่บอกว่า ว, ว, วิสมังปริวัติตันติปริวัติตันติไปบอกหมุนเวียนวิสมังไม่สม่ำเสมอจันทิมาสุริยาพระอาทิตย์พระจันทร์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพอระอาทิตย์พระจันทร์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอแล้วก็ น, นักขันตานิตารกะรูปานิปริวัติตันติวิสมังแหน่ แปลว่าดาวนักษัตรทางไลยก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักษัตรหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่มันเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์กับดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะการกระทําของคนผู้าไอ้มีสินมีธรรมหลังจากดาวไม่สม่ำเสมอแล้ววันคืนข้าดเคลื่อนรัตตินทิวาปริวัตตันติกิสมังเนี่ยรัตตินไปว่ากลางคืนทิวาไปว่ากลางเวน้นกลางเวน้นกลางคืนกับโบคือเก่าแล้วว่าหมุนเวียนไปแล้ว บอดคอเก่าเลยเพื่อสั่งเธอยาวเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเขาก็ประกาศทางวิทยุพระอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่านั้นตกเวลาเท่านี้พรุ่งนี้ว่าอีกไหมบุมคือเก่าดหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเพราะฝีมือของคนนั้นไงต่อมาเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์วันคืนไม่สม่ำเสมอมาสัตสมาเสสุปริวัตตันติวิสมังมาสัจชะมาสาปริวัตตันติวิสมัง มาสะแปลว่าเดือนอัฐไปวบกครึงเดือนหนึ่งครงเดือนกับวทอเก่าบาัดหลังเทธอขืนสิบห้าคาวันเดือนยังบทันในขืนยังกีกวีอยู่ยังบ้านด้เต็มดีก็มีในเห็นมไหมละมันไม่สม่มําเสมอเราไม่ค่อยได้สังเกตการเพราะมันหมุนเวียนไม่สม่มําเสมอเมื่อเดือนกึงเดือนไม่สม่มําเสมอซะแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงข่าวอากาศ อุตสังวัตชราปริวัตันติวิสมังเนี่ยไม่ว่าดินฟ้าอากาศไม่สม่ำเสมอสลับแล้วฤดูและปีก็ยังหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเหมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมลมก็ไม่สม่ำเสมอทีนี้ก็มีคําภาษาบาลีว่าวาตาวายันติวิสัมังเห็นไหม